กันชื่อว่าความคิดเนี่ยไม่มีปัญหารักษาโรคอะไรไ ด, ได้ถ้าบางคนไม่รู้ก็ความคิดก็ไม่ีปัญหาต่อให้เกิดกิดเลสตัณหาความโลภโกรธหลงไปได้ความทุกข์ความรักความชังวาวอะไรต่างๆเกิดจากความคิดที่มันลกคิดสิ่งที่มันลกคิดมันเกิดจากความหลงสิ่งที่มันหลงเพราะไม่มีสติมันก็แค่นี้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 เศาหมองเกิดโครคไข้ไข้เก็บพอรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวเวลาใดีทมันคิดไปนะเวลานอนเวลาใดีทมันคิดเมันได้โอกาสสนุกเห็นชัดชัดเวลานอนเห็นมันระคิดเห็นชัดกว่าเวลาอื่นเวลาเราสร้างสติมันไม่เห็นชัดพอเราสู้เบือนตาอยู่เวลาเรานอนเราไม่เหมือนกับเราไม่เือนตามันมารับรับลีลีมาแต่เห็น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 วิปัสนากราฐานถึงบางอ้อโอ้อืออะไรมันหลงอมันสุขก็มันทุกข์ก็้อออะไรมันเป็นตัวเฉลยเห็นชัดชัดนะ